เพราะความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่รมวประพุทธิยานกำลังนำเสนอธรรมจักรวัฒนสูตรที่พระภูมิระพาคย์เจ้าทรงแสดงแก่ท่านปัญจวคัคคีในวันเพ็ญเดือนอาสาหักคือเดือนแป มาถึงข้อความที่ส่งแสดงโทษของการทรมานร่างกายตามความเชื่อถือของคนในยุคในสมัยทรงนั้นโดยทรงให้เหตุผลเฉพาะในพระสูตรนี้ไว้สามประเด็นคือทุกข์โขคอยเกิดความทุกข์ยากลำบาก น, นาดิโยไม่ใช่ของภรรยะหรือไม่ทำบุคคลให้เป็นภระยะ แตลอดถึงไม่ใช่ทางดําเนินของภรรยะอ น, นัตตาสันิโตไม่เป็นประโยชน์ในระดับที่ต้องการจริงๆคือไม่ใช่ว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยนะมันก็คงเป็นประโยชน์สำหรับคนบางพวกโดยเฉพาะท่านที่ยึดติดในแนวนี้ท่านก็คงจะเห็นประโยชน์ของท่านมันจึงถ่ายทอดกันมาได้เป็นพันๆปี ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะลองนึก ด, ดูว่าเขาเกิดประก่อนพระพุทธศาสนาในขณะที่พระพุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินเดียเขาก็อยู่เวลานี้พระพุทธศาสนากลับไปที่อินเดียอีกเขาก็ยังอยู่ก็แสดงว่าความเชื่อระดับนี้มันเป็นที่พอใจของคนกลุ่มหนึ่ง เราจะไปที่ประเทศอินเดียไปเห็นฤาษีกลิ่งตัวเองมาบทถนนมีลูกศิษย์แต่งชุดสูรอย่างดีเดินตามหลังเป็นขบวนอาจารย์ก็กริ่งม า, างั้นนะบางคนก็ยกขาเดียวจนเวลาเนี้ยเอาขาลงไม่ได้แล้วเวลาขึ้นรถก็ต้องใช้วิธีอียบทยืนก็ยืนขาเดียว ก็เคยไปถึงอเมริกานะฮะเขายิงขาเดียวก็เรียกว่าลูกศิษย์เขารวยอ่ะก็เอาไปนั่งเก้าอี้เครื่องบินเป็นพิเศษก็นั่งยากอยู่แล้วก็แสดงให้เห็นว่าความเชื่อของมนุษย์ทั้งหลายในโลกเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงในเชิงรูปแบบ แต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วยังอยู่อยู่ในลักษณะอย่างหนึ่งที่เคยงม ง, งายก็ยังเป็นงง ง, งายแต่ในความรู้สึกนึกคิดของท่านเหล่านั้นท่านก็เชื่อท่านก็ถือว่าท่านได้ประโยชน์ดังนั้นจึงมีการสื่อต่อกันมาแต่ว่าประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าส่งมุ่งหมายมันเป็นประโยชน์คนระดับเป็นระดับมรรคผลนิพพานแต่ทีนี้ธรรมมผลนิพพานเนี่ย ท่นพวนี้มันเป็นตัวขวางตัวขวางประตูพระนิพพานเอาไว้เพราะมันมีลักษณะเป็นศีลปตปรมะมาติคือเป็นการถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยข้อปฏิบัติที่ไม่ยุติด้วยเหตุผลและก็ความดีก็สรุปว่าเป็นอุปสรรกระดับมรรคผลนิพพานแต่การมัาเป็นอย่างที่ ย, ยกตัวอย่างมาวันก่อน เราสังเกตว่าบางอย่างมันก็ฝึกขันติคือความอดทนฝึกความเพียรฝึกสัจจะปัญญาอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่ามันก็ฝึกอะไรอยู่พอสมควรท่านเองคงจะได้สัมผัสบ้างไงนะแต่ในงานท่านก็คงไม่อยู่กันเราก็สื้อต่อกันมาในปัจจุบันนี้ยังอยู่เยอะ เสนทางเหล่านี้มันไม่เกิดประโยชน์ในระดับที่ทั้งพระพุทธเจ้าและปัญญบุคีต้องการแต่ไม่ใช่ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงนะฮะอย่าลืมว่าปฏิเสธระดับของบรริชิดไม่ใช่ปฏิเสธระดับของคนทั่วไปและจากนั้นก็ส่งแสดงคือเราจะเห็นว่าพอพูดถึงสองทางตรงนี้ปัญญรุคคีก็ต้องเกิดสงสัยแล้วอะ ประยุกษ์สมัยนั้นมันก็มีอยู่สองทางแต่นเองคือวัตถุนิยมสุดขั้วกับจิตตนิยมสุดขัว้วแล้วก็กลายเป็นตะบะกลายเป็นเดชกลายเป็นคณาจารย์ลัทธิทั้งหลายกลายเป็นาศาสดาต่างๆเนี่ยมันก็แกว้งออกไปสองแนวนี่แหละคือแนววัตถุนิยมจัดกับแนวจิตตนิยมจัดก็โลกมันคงเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะ ในปัจจุบันเองถ้าเราลองสังเกตความคิดของคนมันก็เป็นแนวนั้นคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในพวกวัตถุการมคือวัตถุนิยมนี่จัดกลายเป็นสังคมบริโภคซึ่งบางครั้งบางคราวก็เราเห็นว่าตากะการตะกรารกักการการกรองกักการตรวจสอบกักการพินิจพิจารณ า, าก็หมายความว่าคนก็มุ่งตอบสนองความปรารถนาของตน ในสิ่งสัมผัสนะครับพูดพูดง่ายๆว่าต้องการความสุขสัมผัสระดับเนื้อหนังมังสามันก็นเกิดมีธุรกิจเกิดผลประโยชน์มหศาศาลมากๆนะนี้กลุ่มหนึ่งที่เล่นไปทางทรมานร่างกายความเป็นแบบตะบะในเมืองไทยเราก็มีนะแต่ว่าไม่มากกันนั่นเอง เพรเมืองไทยอย่างน้อยอิทธิพลของพระพุทธศาสนาก็แผ่กระจายไปในระดับที่เป็นวัตถุนิยมเป็นจิตนิยมสุด ข, ขั้วจนถึงนัทธรรมานั่งกา ย, ยสังคมยอมรับน้อยแต่ว่าบางทีเราก็เห็นว่าก็มีการยอมรับกันอยู่ปันโอเคก็เข้างใจทั้งสองประเด็นแหละเมื่อหนึ่งก็ไปไม่ได้สองก็ไปไม่ได้เราไปทางไหนละ่ะ พระเจ้าทรงมีอาเทศนาปาฏิหารคือรู้ใจคนพเวลาทรงแสดงเนี่ยคือถ้าในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ดูจิตผู้ฟังไปด้วยดวงตาสายของผู้ฟังไปด้วยตอนนี้จะปรับยังไงความคิดของเขาเป็นยังไงศรัทธาเป็นยังไงความเพียรเป็นยังไงถ้าเราลองสังเกตข้อความในใจชัดเจนว่าพระพุทธเจ้ารู้ความคิดของผู้ฟัง แล้วก็ยกักยายพระธรรมเทศนาไปดันวิธีอธิบายเนี่ยจึงไม่ลงตัวหรอกว่าจะอธิบายอย่างใดอย่างหนึ่งในอันนี้มันเกิดปัญหาว่าท่านปัญญบุคีปฏิเสธวิธีการทุกขกรริรยาซึ่งท่านมั่นใจนะฮะว่าทุกขกรริรยานั้นจะให้ผลแต่ลองสังเกตตอนพระพุทธเจ้าส่งปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธกรรมสุขา ร, ริการนโย ก, ก่อน เพราะอะไพระปัญญวคีมีประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวกับการมาสุขการในการนายโยคมาแล้วอันตกิลิมัถานนายโยกซึ่งท่านปักใจฝังใจเนี่ยพอประเด็นที่เรียกว่า ท, วทุกข์โขเป็นทุกข์เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนในความรู้สึกนึกคิดของท่านปัญญวคีเพราะท่านเห็นด้วยตานะว่าพระพุทธเจ้าในประสบความทุกข์ทรมานมากก็เรียกว่าปางตายทสิเดียว ก, ก็ทุกข์แน่ แต่ทีนี้ท่านก็อาจจะยังปักใจยอยู่นิดหน่อยนะเกี่ยวกับว่าทางของภริยะหรือว่าเป็นข้อปฏิบัติทําให้คนเป็นภริยะหรือไม่เนี่ยอาจจะติดใจอยู่เพระพุทธเจ้าก็มาแสดงแสดงทางที่ทําให้ปรงุงสัจสรูปคือเมื่อเขาเกิดความสงสัยเนี่ยวิธีการตรงนี้ให้ลองสังเกตแต่ว่า บางครั้งบางคราวเนี่ยก็ใช้ในคราวที่เสด็จเผยแพร่พระพุทธศาสนายอยู่เนี่ยคือคนเริ่มจากไม่เชื่อเริ่มจากสงสัยเริ่มจากโกรธหรือเริ่มจากไม่รู้จักอะไรอะไรก็ตามแัม้วก็มีวิธีการที่จะปรับจิตของคนเหล่านั้นขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราดูแนวนี้ก็คือแสดงมาจนเขาเกิดสงสัยแล้วก็ชี้ประเด็น ให้เห็นซึ่งเขาไม่คาดคิดมาก่อนโครงสร้างของการเผยแผ่มันก็คล้ายๆกับที่เสด็จไปโปรดทันองคุลิมาลโดยเห็นว่าองคุลิมาลเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าเสด็จโดยลําพังพระองค์เวลาสุดหนักเนี่ยพระเจ้าจะเสด็จโดยลําพังพระองค์ซึ่งถือว่าเป็นเป็นจุดที่น่าสังเกตเรื่องใหญ่ๆนะฮะเรื่องปราบ ประกาบพรมเรื่องโจรองคุรีมานเรื่องอาไรเราก็ยักษ์อะไรต่อนีไรในบทพาวุงที่ว่าสเสด็จพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่เป็นบริวารเนี่ยเรื่องเดียวคือปราบนันโทปนันดนกกากุระส่วนจัดสัจจานิโคนนั่นท่านมหาแน่นอนภายในวัดก็มีพระอยู่น า, จจนางจิตจับบันวิกาแกก็มาหาในขณะที่เจ้าเทศอยู่ หรือว่าช้างนร า, าคิรีที่เทวทัตหมอมเหล้าให้ไล่ไปแทงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าเสด็จบินธบาดพร้อมด้วยพระสงฆ์แต่พอช้างวิ่งมาเนี่ยพระสงฆ์ก็แตกยังเหลือแต่พระองค์กับพระอนนุ์ชาวบ้านก็มองอยู่ห่างๆนอ่นนั้นก็จะเป็นเรื่องลำบังพระองค์เรื่องใหญ่ๆทั้งนั้น คือจะเสด็จโดยลําพังลังจากจึงเริ่มต้นด้วยอิทธิปาฏิหาริย์คือแสดงถึงฉับพรังสีออกมารอบพระเศียนในด้านละวาองค์กริมาลก็สงสัยและโจรองกริมานก็สงสัยแล ะ, รสสและพระอะไรมีหัวเป็นเบลเปพลิองอย่างนั้นมีรัศมีออกมารอบตัวอย่างนั้นก็ไม่รู้เป็นใครอน่นะเพราะว่าเห็นด้านหลัง มันก็ไล่แต่ไล่นั้นไห้ลองสังเกตว่าไล่จริงๆเนี่ยคือไล่ยอยากดูไอ้ความคิดอยากฆ่าเนี่ยมันถูกกระแทกด้วยความสงสัยเพราะไม่เคยเห็นเลยว่ามีคนแล้วก็มีรัศมีพุ่งออกมาด้านละวาเนี่ยแกไม่เคยเห็นพอวิ่งไล่ไปเนี่ยปรกากฏเราวิ่งไม่ทันท่านเป็นเด็กหนุ่มอายุยี่สิบปีกว่า ไ, ไล่ตามเราพุทธเจ้าไม่ทันแล้วก็เกิดสงสัยเอ้ ย, อยก็ท่านเดินธรร ม, มาดาเราวิ่งไนงะทำไมไม่ทันสงสัยอีกเห็นมลยสงสัยซ่อนสงสัยไอย้ความอยากฆ่ามันกลายเป็นความอยากรู้เมื่อก่อนใะนท่านอยากฆ่าเราต้องการว่านิ้วมือเนี่ยมันยังขาดปมกุลีเดียวแตเงจะครบพันเนี่ยเราก็อยากจะได้นิ้วคนที่หนึ่งพันแต่พุทธเจ้าเสด็จไปอย่างนั้นมันก็กลายเป็นความอยากรู้ กันสงสัยก็อยากรู้เฮยบอกว่าสมณะหยุดก่อนพระจารับสั่งว่าเราหยุดแล้วแต่เธอเนี่ยไม่หยุดเอายิ้มสงสัยใช่เลยเฮพูดยังไงท่านเดินไปเรื่อ ย, อยท่านบอกว่าท่านหยุดแล้วแล้วก็เราหยุดเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่หยุดหมายความว่าอย่างไงก็กลับรุ่นถามอีกรอบหนึ่งพระเจ้าก็รับสั่ง รับสั่งในเรื่องที่ท่านไม่คาดคิดมาก่อนแบบเดียวกับเรื่องนี้เหมือนกันก็รับสั่งว่าเราหยุดแล้วจากการฆ่าสัตว์การเปลี่ยนแปลงสัตว์การบัลลัสไรสัตว์ไม่พกพาสาัตวาวุธเครื่องประหารไรเตเธอนั้นไม่หยุดการฆ่าสัตว์การาาเปลี่ยนแปลงสัตว์มือชุ่ม ด, ด, ด้วยโลจิตต่างๆก็แสดงอธิบายเห็นชัดเจนเลยพระพุทธเจ้าหยุดจริงแต่องค์คิมานไม่หยุด ก็รับสั่งจยุดทิ้งดาบนะดาบร่วงพรอยลงจากมือเลยก็ครานเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็มายังยังมองอยู่ว่าประเด็นตรงนี้ไนงะวันนึกว่าท่านคักข้าบุรหิตเนี่ยมันก็เป็นอุบาสกเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามันตานีพระมณีก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตอนองคุริมานประสูตรนั้น อย่างน้อยตอนเธอโตวัยรุ่นขึ้นมาก่อนจะไปเรียนตะ ก, กศิลาเนมันน่าจะรู้จักพระพุทธเจ้าแต่ว่าตอนนั้นน่ยมันอยู่เบื้องประปิดดางคือไม่เห็นพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้หันพระพักมาเพราะท่านหันพระพักมาเนี่ยก็ยังนึกว่าองค์ุลิมานก็จําได้นะจาได้ก็ตื่นเต้นตกพระไทยมึงก็แคก็ช็อกไปโดยปริยายเลย มันเหมือนกับเด็กวัดที่อยู่ใกล้กับหลวงพ่อหลว ง, งพ่อดูแลอยู่เนี่ยเคารบหนังสือหลวงพ่ออยู่นึ้หานี้ไปนานเรยอย่างหนึ่งปิปเกกะอารวาสอยู่เนี่ยหลวงพ่อไปหาเนี่ยมันต้องตื่นเต้นนะฮะแล้วก็สํานึกผิดทันทีเพียงแต่ว่าในบาลีเราไม่เล่าไว้วเรานึกถึงจินนาการนะจินตภาพวันนึกว่าโดยภาพจริงๆเนี่ยองค์กฤษมานต้องรู้จักพระพุทธเจ้ามาก่อนเพรพ่อแม่เขาก็เป็นประสบ แต่นั้นพอเห็นก็พูดกันง่ายพระโยคยีเองมันก็มาถึงจุดนี่แหละว่ า, าขวาก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้แล้วจะเอาอยัางไงพระเจ้ากระรับสั่งว่าดูกรอพิสุจน์ทั้งหลายปฏิปทาสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นคือไม่เป็นกรรมสุกาลิการนโยกซึ่งตามใจตัวเองมากเกินไปไม่เป็นอัตกิมาฐานโยกซึ่งทรมารร่างกายมากเกินไป ตรงนี้ตถาคตได้ศัสรุก็ะรับสั่งว่าตถาคตได้ศัสรุแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งที่การสัสรุนี่เป็นยังไงก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างใหม่นี่ยฮะแต่เราอย่าลืมว่าปัญญวคธีเนี่ยมีความเข้าใจแต่ว่าท่านปักใจว่าถ้าบำเพ็ญทุกรักริยาแล้วทําให้พระพุทธเจ้าศัสรูเป็นพระสมณะสัมพุทธเจ้าได้เพียงแต่ท่านเอาไปผูกโยงไว้กับทุกข ร, รักรยา แต่ท่านเชื่อมั่นเรืการสัตรุของพระโพธิสัตว์ในตั้งแต่ต้นมานะจึงได้ออกบวชตามสเสด็จเพราะเมื่อรับสั่งว่าสัตรูเพราะสัต ร, ร, รุอย่าลืมว่ารับสั่งมาตั้งแต่ตอนเจอกันครั้งแรกบัดนี้ตถาคตได้สัตรุแล้วเป็นอรหันต์เป็นสมาสมุทธ h ก็ยืนยันสถานะของพระองค์ คือเป็นข้อที่น่าสังเกตนะสังเกตไว้อย่างหนึ่งและถ้าเราไปดูในเทระคาถาเทลิกาถาทั้งหมดนี้พระอระหันต์นั้นท่านปฏิญาณสถานะของท่านได้นะแล้วก็บวกบอกแกเพื่อนฝูงสะาธรรมิกนี่ได้แต่ยุคสมัยปัจจุบันบางครั้งบางคราวเนี่ยมันค่อนข้างเป็นปัญหาคือบางท่านบอกก็บอกแกพระนั่นแหละ แต่ว่โยมไปอาเทปมาบางก็ออกข้างนอกใครชาว บ, บ้านก็ไปคิดมาบอกกระยาดโดิโยจริงจริงไม่นะท่านบอกกันในหมู่ข้างทัานเราไปอาเทปมาเฉยๆแต่เราก็ไปโมเมเอาวัวอวดรุตริมนุสธรรมไปหายไปเลยให้ลองสังเกตว่าพระอรหันต์ทั้งหลายในเทระคถาเนี่ไปดูได้เลยทั้งเทระคาถาเทรีกาถาเนี่ยบอกปฏิญาณสถานาะของท่าน ว่าท่านเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ปฏิญาณเขาเรียกว่าบรรลือเสียหน้าประกาศธรรมจักรหรือพรหมจักในท่ามกลางปัญญาคีทั้งหลายซึ่งก็เป็นภิกษุแลาวาคาได้จัดสรุแล้วัสรุนี้ทำอะไรเกิดขึ้นท่านบอกว่าทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิด ตัวนี้ถ้าท่านผู้ฟังลองนึกถึงเรื่องสมมติสิทธิ์นะฮะคือสัมมาทิจิสัมมาสังกปะสัมมาวจาว่าไปจนครบแปดอ่ะจนถึงสมาสมาธิเนี่ยผู้นี้เขาจะผนึกเป็นอันเดียวกันเขาเรียกว่ามรรคสามังคีคืออริยมรรคนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แปดไม่ใช่แปดทางนะฮะเป็นทางเดียวแต่ว่ามีองค์ประกอบแปดอย่างคล้ายๆล้ายกัญญาขนาดหนึ่งมีเครื่องปรุงแปดอย่าง หรือว่าอาหารชนิดหนึ่งมีเครื่องปรุงอยู่แปดอย่างหรือว่าเชือกเกลียวหนึ่งเนี่ยมีเกลียวเชือกเส้นหนึ่งมีเกลียวอยู่แปดเกลียวเป็นต้นเนี่ยเราแยกออกมามันก็ใช้ประโยชน์ได้แยกออกมาแต่ละเส้นเนี่ยหรือว่าเอารวมกันมันก็เป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์เพราะคว่าจากักรขุภยานเนี่ยมันเป็นยานซึ่งเกิดผุดขึ้นด้วยการกระทำให้สมบูรณ์ในอลีมักไปองแปดประการ พอเลยมักมีองค์แปบประการเขาผนึกเป็นอันเดียวกันเลยมันเริ่มเกิดยานตั้งแต่ว่าศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาประมาณมันเกิดยานแล้วแต่ยานขนาดนั้นมันก็กระจัดสังโยชน์ได้แค่3ามข้อคือทาให้เป็นพระโสดาบันเพราะ ใ, นในบุคคลทั้งสามทั้ง4ีระดับเนี่ยท่านผ่านยานสามในอริยสตรีด้วยกัน เราทำนองใกล้ายๆกับเป็นแสงแสงสว่างคือเราจุดจุดเทียนขึ้นมาดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงเนี่ยแสงสว่างก็ไม่เท่ากันเนาะกระจัดมืดได้ไม่เท่ากันแต่ว่าในจุดใดที่แสงสว่างเกิดในความมืดไม่มีเพราะจิตใจของพระภรรยะบุคคลในแต่ระดับก็มีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความท่านสว่างของท่าน่ะแล้วในจุดที่สว่างนั้นกิเลสมันสังโยชน์มันไม่มี ตอ น, นั้นจักขุเนี่ยบางครั้งมันก็พูดถึงโลกิยะก็ได้นะพูดระดับโลกุตระก็ได้ยานเนี่ยบางครั้งถ้าไม่สมบูรณ์อย่างที่เคยพูดเรื่องอปัญญาห้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เรียกยานเหมือนกันแต่ยานระดับนั้นก็เป็นโลกิยะก็มีเป็นโลกุตระก็มีแล้วโลกุตระที่ไม่สมบูรณ์คือเป็นตั้งแต่โสดาสกิรคานาขาขึ้นไปสมบูรณ์อยู่ตอนพระอรหันต์แต่มันก็เรียกว่ายานนะ กพราจักขุเวลาท่านเรียกเนี่ยสำหรับพระพุทธเจ้าเองเนี่ยมีจักจุกับสุห้าซึ่งก็เราในอย่างดีเราก็มีสองนะนะมีมีตาเนื้อกับตาตาในคือตาปัญญาบางน้อยก็ไม่รู้แต่พระเจ้าท่านก็มีจักสุห้าประการประการแรกก็คือมังสะจักสุตาเนื้อธรรมดาเนี่แหละ แต่พระพุทธเจ้ามีประเนษต่ำสามากไม่มีปัญหาเรื่องประเนตรเลยเพราะระเนษได้ต่ำสายตอนพระชนพรรษาน้อยๆเป็นอย่างไงก็ตอนแปดสิบพรรษา ก, ก็เหมือนกันกรับสั่งเล่าว่าเป็นอานิสงส์ที่เคยอุชิตดวงตาให้เป็นทานเป็นฐานะอุปบารมีแหลักการตรงนี้มันจะทำให้นึกถึงเวลาเนี้ยมีการรับบริจาควัยวะต่างๆ คนบางคนบอดถ้าบอดด้วยจากตาแลไระเกิดชาติถ้าตาบอดไม่รู้มาันจากไหนนะถ้าบริจาคอวัยวะส่วนใดส่วนใดแล้วต่อไปเนี่ยเกิดมาจะไม่มีอวัยวะส่วนนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นกุศลกรรมที่หนาให้เกิดรูปเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นตลาดดวงตาดวงตาจะมีคุณภาพประสิทธิภาพสูงกว่าคนอื่นสลาดับสลาดไตอะไรอะไเนี่ยตับไตของเราในชาติทุกต่อไปมันก็เปน็นดีกว่าคนอื่น มันเกิดด้วยกรรมวัชรูปคือกุศลกรรมสร้างรูปตรงนั้นให้เมืันก็ปณะนีกว่าอย่างอื่นนะถ้าเราไปลองดูถึงภูมิหลังของคนทั้งหลายเนะี่ยจดสมพุติาเป็นจะ ก, กัลยาณีเขนานำวิสาขาห้าอย่างใได้มาจากอะไรก็จะเห็นว่ามันเป็นกุศลกรรมทั้งหมดแล้วก็สร้างรูปที่ปณีนให้แก่ท่านกลายเป็นเบนจะกัลยาณีแล้วก็มีวัยงามแม้แต่อายุตั้ง เป็นร้อยแล้วนะนาวิสาขาเนี่ยตอนตายอยูุตั้งเป็นร้อยร้อยกว่าแล้วร้อยยี่สิบร้อยี่สิบยไม่ตายนะเดินปนไปกับหมูลูกหลานเลนเนี่ยคนยังดูไม่เคยออกเลยเป็นนาวิสาขานั่นก็คือเราย้อนกลับไปก็จะเห็นว่าภูศุลกรรมเนี่ยมันมันตกแต่งภบชาติประนีตอวัยวะต่างๆส่วนต่างๆเนี่ยก็ตกแต่งให้ ผลของพระเจ้าจักสุมังสาจักสุของพระองค์จึงมีความประณีตเหนือกว่าตาของสามัญชนทั่ ว, วไปซึกงแน่นอนม่นนั่นคือผลของบารมีธรรมผลของการเจริญกุศลของบุคคลทั้งหลายเนี่ยประส่วนหนึ่งก็เป็นเหตุให้ดวงตาเนี่ยมีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงก็สแสดงว่าฐานอุุบารมีเนี่ย แล้วก็มีส่วนที่จะทำให้อวัยวะซึ่งเราสละไปเราบริจาคไปย้อนกลับมาเป็นบุญเป็นเป็นรูปที่ประนีตนะคือสร้างรูปที่ประนีตให้แก่บุคคลเหล่านั้นซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะจะนับจะนำตัวอย่างในที่พระเจ้าทรงสแสดงมาให้ฟังเราเรียกรวมรวมมาบุญญาณิธิต้องฟังแต่ไร แต่รวมมาบทยาในวันนี้ข อ, อยุติไหวโดวยเวลาเป็นตัวนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้อ ง, งามไปบูรในธรรมจะมีและท่านผู้ฟังตั้งหลายโดยโทษกันสวัสดี